Thank you. ตัวตนความคิดของเกิดดับไม่มีตัวตนตนั้นไม่ได้มารออะไรไม่ได้มารอให้ผมพูดเราอยู่กับลมจะพูดมาไหร่ก็พูด เราก็อยู่กับลมอยู่แล้วให้เราจะเป็นอิสระการที่เราต้องรออะไรตอนนั้นเรามีพันธนาการที่ไม่อิสระจิตใจก็จะกระสับกระส่ายรอเมื่อไหร่ใครจะมาเมื่อไหร่ใครจะไปเราก็อยู่ปกติปกติของเราเใครมาก็มาเอง ไม่มาก็ไม่มาอยากให้มาก็ไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวคทุกท่านเตรียมตวงราบอาจารย์ค่ะ เคยใช้รักครั้งอันนี้เป็นครั้งแรกมีคนเอามาให้เขาไปญี่ปุ่นมาซื้อมาจากวัดเสร็จผมเพิ่งสังเกตว่นาดังได้นานจริงนะ ก็เป็นเช้าวันที่สองของการปฏิบัตินะเมื่อวานเราก็ได้ทำความเข้าใจกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ผมจะขอฝากขอเน้นยำ้ำก็คือที่แนะนำการนั่งสมาธิเมื่อวานเนื่องจากว่า เวลานั่งสมาธิมันจะนั่งแบบที่ตัวเองเคยนั่งหรือถ้าคนไม่เคยนั่งเลยก็รูล้ลมหายใจเผอไปคิดก็กลับมารู้ลมหลักการโดยจริงๆหลักการมันมีแค่นี้แต่มีเบื้องหลังหรือรายละเอียดหรือสิ่งที่จะทำให้เดินหน้าได้เร็วขึ้น ได้ทำให้เห็นความจริงคือในขณะที่เรารู้ลมเนี่ยขณะที่เรารู้ลมให้ท่านสังเกตคือก่อนที่เราจะรู้ลมเนี่ยทุกคน อ น, นั้นจะนั่งคิดหรือกำลังคิดถูกไหมก่อนที่จะรู้ลมนะเรากำลังนั่งคิดเมื่อเรานั่งคิดโดยธรรมชาติของการนั่งคิดของคนทั่วไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาด้วยคืออารมณ์ขณะที่กำลังนั่งคิดจะมีอารมณ์คำว่าอารมณ์ไม่ได้แปลว่าต้องฉุนเฉียวรุนแรงอะไรแต่มันจะก่ออารมณ์ จะอารมณ์อะไรก็ตางจะเพลิดเพลินสนุกสนานนะทางธรรมะเรียกว่านันทิราคะคือการเข้าไปผูกใจติดกับอารมณ์นะทางธรรมะเรียกสัญโยคะคือเข้าไปผูกติดกับอารมณ์มอยทีนี้ว่าผูกติดกับอารมณ์มันจะเกิดความเพลินในการนั่งคิดต่อให้เป็นเรื่องทุกข์ด้วยนะสมมติว่าคนอกหักแล้วก็นั่งคิดถึงเรื่องอกหักเศร้าหมองเนี่ย มันก็นั่งคิดอยู่นั่นนะทําไมพี่คิดออกจากทุกข์ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นทุกข์เพราะแม้แต่ทุกข์เองก็มีรสอร่อยสําหรับจิตที่โง่จะเข้าไปผูกติดกับอารมณ์แล้วหมุนวนอยู่ในนั้นนะสังเกตไหมว่าทําไมคนอกหักถึงนั่งฟังเพลงอกหกักที่มันเศร้าที่มันทิ่มแทงหัวใจพวกที่ผมเรียกทุกนิยมคือหัวจิตหัวใจมันนิยมในความทุกข์มันอยู่กับทุกข์จนคุ้น ทั้งๆ ท, ที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องทุกข์มันก็นั่งคิดอยู่นั่นเนี่ยมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้ถ้าไม่มีการฝึกนี่ไม่มีทางออกจิตออกไม่ได้หรอกดังนั้นหลักการนะคือรู้ลมเนี่ยทุกคนก็รู้ลมผมบอกว่ารูล้ลมละไวเนี่ยทุกคนก็เอาแต่รู้ลมพอถึงวันนี้ผมชักเห็นแล้วว่ามันไปไม่ได้เว้ยทหไมคนไม่เข้าใจขึ้นมาเองนะเอาละ ท้างั้นก็ต้องบอกล่ะทุกคนก่อนที่จะรู้ลมเนี่ยจะนั่งคิดถ้าผมคอละคังแล้วให้ท่านรู้ลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆความคิดมื่อี่ดับไปยังดับไปแล้ว เมื่อความคิดดับไปขณะที่เราอยู่กับลมหายใจจิตจะเข้าสู่อุเบกขาสังเกตไหมสังเกตไหมขณะที่เรารู้ลมหายใจเปลี่ยนซับไปใจจะสงบถูกไหมรู้ลมไปไม่ต้องหลับตานั่งฟังผมไม่ต้องทำท่านักปฏิบัติตั้งตัวตั้งจิตกันขึ้นมาหมดนะมีแต่ตัวตน อยู่เฉยไม่ต้องทำท่ารู้ลมรู้ลมใจสงบทาไมรู้ก็ท่องไว้รู้ลมเนี่ยใจจะสงบคือความที่เราไม่คุ้นกับความสงบจนบางทีเราไม่รู้ด้วยนี่สงบยางเนี่ยอาจารย์หนูอิ่มไหมเนี่ยคือความที่มันไม่รู้จักว่าคืออะไรเนี่ยรู้ลมเนี่ยใจจะสงบ ตอนเนี้ยรู้ลมเนี่ยใจสงบนะอืมใช่ผมรู้แล้วว่าทำไมคุณไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ทำจริงๆเขาคุ้นกับความเคลื่อนไหวเขาไม่คุ้นกับความสงบทีนี้เมื่อคนไม่ได้ปฏิบัติ จึงไม่รู้ได้ซ้ำว่ารู้ลมหายใจเนี่ยใจสงบเพราะไม่รู้จักเลยอืมทั้งนั้นก็ไม่รู้จะทำไง่ะเอาละงั้นผมบอกอนาคตแล้วกันถ้าท่านเอากลับไปทำพอรู้ลมเนี่ยใจจะสงบขณะที่ใจสงบ ท่านจะรู้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยที่คิดเนี่ยใจไม่สงบนะต้องเห็นอย่างนี้นะขณะที่เรากำลันงนั่งดูเผอเมอ ER, นั่งคิดเนี่ยเกิดสติขึ้นมากลับมารู้ลงแป๊บหนึ่งเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อกี้ใจไม่สงบตอนนี้ใจสงบนะ ต้องเห็นอย่างนี้นะเมื่อกี้ไม่สงบเห็นการกระเพื่อมตอนนี้สงบไม่ใช่เห็นการกระเพื่อมเมื่อกี้นะมันจบไปแล้วนะแต่รู้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่สงบเพราะยังไม่จะเห็นการดับลงของของเหตุก็คือความคิดและผลคือความไม่สงบพอรู้ลงปุ๊บเหตุดับเหตุของการไม่สงบเมื่อสักครู่ดับเข้าสู่เหตุใหม่คือการเข้ามา มีสติอยู่กับลมหายใจผลจึงเกิดเป็นความสงบเดี๋ยวๆพอเผลอปับ๊บคิดอะไรต่อไปใจเริ่มไม่สงบมีสติระลึกปับ๊บกลับมารู้ลมใจสงบเห็นแล้วว่าเมื่อกี้ไม่สงบแล้วก็ความคิดเมื่อกี้ดับไปเพราะจะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดั บ, ดบของเหตุและผล เหตุก็คือความคิดผลก็คือความไม่สงบจะเห็นการดับของเหตุการดับของผลนะเพราะฉะนั้นการรู้ลมอย่างเดียวเนี่ยขณะที่ท่านรู้ลมและใจสงบเนี่ยมันเป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้ารู้ลมแล้วเห็นการเกิดการดับการดับของการดับของเหตุการดับของผลท่านจะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานแล้วจะเข้าเห็นเข้าไปเห็นอริยสัจนะ ผู้ที่จะตัดสรู้เข้าไปถึงความเป็นพระโสดาบันจนถึงพระ อ, อรหันต์เนี่ยต้องเข้าถึงเข้าไปเห็นความจริงของอริยสัจอริยสัจคือความจริงันประเสริฐเมืม่อเหตุดับผลจะดับเหตุดับผลจะดับเหตุดับผลจะดับตลอดเวลาเป็นธรรมชาติอย่าเอาแต่รู้รวมมิติเดียวนะผมพูดได้แค่วมที่จะใช้คําว่าอะไร คือการที่รู้ลมหายใจเนี่ยมันเป็นการรู้มิติเดียวถ้าท่านรู้มิติเดียวท่านจะเข้าสู่สมถกรรมฐานเลยซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะสมถกรรมฐานทำให้จิตใจสงบตั้งมั่นพักผ่อนเป็นการพักผ่อนของจิตกายก็ต้องการพักผ่อนจิตก็ต้องการพักผ่อนแต่มีความแตกต่างกลับข้างกันอยู่หน่อยหนึ่งคือถ้าเราต้องการให้ร่างกายแข็งแรงเราต้องเคลื่อนไหวถูกไหม ถ้ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงต้องไปวิ่งจั๊กจิ้งต้องไปวิ่งสายพานต้องทำอะไร น, นู่นนะี่นั่นร่างกายจะแข็งแรงต้องเคลื่อนไหวแต่ถ้าต้องการให้จิตแข็งแรงเข้มแข็งจิตต้องหยุดกลับข้างกันนะถ้าให้จิตเคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตจะอ่อนแอมากเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกเนี่ยจิตต้องอ่อนแอมากไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความที่จะเห็นความจริงรู้อริยศาสตร์ขึ้นมาได้เลย ผู้จ้าเรียกใช้คําที่รุนแรงมากนะพวกที่ใช้ชีวิตแล้วก็นิวรห้ารบกวนตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็นูน่นนี่รบกวนตลอดเวลาเนี่ยท่านเรียกคนเหล่านั้นว่าพวกปัญญาอันทุบพลลภาพไม่มีทางที่จะเข้าถึงอริยสัจไม่มีทางที่จะเห็นความจริงนันประเสริฐเพราะฉะนั้นขณะที่เราปล่อยให้จิตใจร่องรอยไม่มีกําลังเนี่ยจิตใจร่องรอยไม่มีกําลัง มันจะป้อแป้หลงคือใจนี่ฟุ้งแตกกระจายหมดนะแต่ถ้าเริ่มกลับมาอยู่กับลมหายใจเนะี่ยจากใจที่ฟุ้งแตกกระจายจะเริ่มรวมกันเป็นหนึ่งความเข้มข้นจะรวมกันเป็นหนึ่งจากที่ฟุ้งแตกกระจายเนี่ยจะเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเป็นก้อนเป็นพลัง เราจึงเห็นพวกบางทีทําสมาธิแล้วเอาไปใช้ทําอย่างอื่นเห็นจิตเห็นใจหรือว่าดัดเหล็กดัดอะไรต่ออะไรเมื่อจิตเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งจะเกิดพลังแต่เราไม่ได้เอาพลังตรงนั้นมาใช้ในทางโลกิยะนะเราเอาพลังตรงนั้นความตั้งมั่นมาเปลี่ยนเป็นความตั้งมั่นเพื่อมาเห็นความจริงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เอามาเห็นความจริง ความจริงของธรรมชาติซึ่งเราไปก่อความรู้สึกขึ้ น, นมายึดถือธรรมชาติเฉยๆเราไม่รู้ตัวก็เพราะว่าเราไม่มีความตั้งมัน่นมันมีโรคอยู่ข้างในเราปรงแต่งอยู่ข้างในโดยเราไม่รู้ตัว ผมจะให้ดูสื่อที่หลายคนก็คงเคยดูมาแล้ว This is the venue they chose for their fake auditions for an advert for lip balm We're hoping that we can use part of this in a national commercial, okay. right? And this is a test on some lip balms that we have over here. Yeah. Okay. And these are our models who are going to help us, okay. Roger and Matt. Okay. And we have uh, our own lip balm, and we have a leading brand. Okay. Would you have any problem kissing our models no. to test it? <laughs> you wouldn't. No. You think that was fine? That would be fine. Okay. So that this is uh, a blind test, I'm going to ask you to to go ahead and put a a blindfold okay. on. Okay. Now, can you see anything? No. Hold up, so you can't even see down. Okay. It's completely blind now, <laughs> yeah. right? Yes. Okay. Now, what I'm going to be looking for in this test mm -hmm. is um the, lips, okay? the texture. And maybe if you can discern any flavor or not. Okay. Have you ever done a kissing test before? To <laughs> okay, so. step in. Okay. Now I'm going to ask you to pucker up, pucker up big, and lean in just a little bit. Okay. Okay. <laughs> ผู้หญิงคนนี้จูบกับใครครับจูบใครครับเบลจูบผู้ชายในใจตัวเองใช่ครบถ้วนกระบวนความคนทั่วไปก็อาจจะเห็นว่าเขาจูบกับหลิงแต่จริงๆเขากําลังจูบกับผู้ชายในใจตัวเองเอาละ่ะเราก็คงเดาออกหลังจากที่เราดูแต่เราอาจจะมองข้ามอะไรไปบางอย่าง เพราะว่าเราอยู่กับเรื่องนี้จนชินอะทำมือเหมือนกับปากลิงแล้วแปะเข้าไปตอนนี้ผู้หญิงคนนี้มีสัมผัสอยู่แค่ตรงนี้สัมผัสกำลังรู้สึกแบบเดียวกับที่เรากำลังรู้สึกผมถามว่าขณะที่ท่านกำลังสัมผัสอยู่ตรงนี้สัมผัสเดียวกันเนี่ยกับผู้หญิงคนเนี้ย ตอนนี้ท่านมีอารมณ์ไหมไม่ท่านมีราคะไหมกำลังจูบกับใครอยู่ไหมไม่แล้วผู้หญิงคนนี้สัมผัสเท่ากันกับเราเนี่ยทำไมก็ถึงดูดดื่มเคลิ้มขึ้นมาผมบอกแล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ข้างนอก ปัญหาอยู่ข้างในใจของเราเองเราสร้างลูกแฟนสามีพ่อแม่เพื่อนศัตรูเอาไว้ในใจเราทั้งหมดจากนั้นเราปรุงแต่งคนที่เราสร้างเอาไว้ในใจให้เป็นไปดั่งใจเรา คนข้างนอกใช่หรือไม่ใช่มันจึงเริ่มขัดกับความรู้สึกในใจผู้หญิงคนนี้กําลังสร้างผู้ชายที่ตัวเองเห็นเข้าไปไว้ในใจแล้วเขาก็เคลือบเคลิมหยาดเยิม้มอยู่กับผู้ชายคนนั้นในใจของตัวเองขณะที่กําลังมีสัมผัสเขาจึงเอาสัมผัสมาผสมรวมกันกับใจที่กําลังปรุงข้างใน ผมถามว่าผู้หญิงคนนี้กำลังหลงใช่ไหมใช่โมหะครอบงำจิตทั้งหมดผู้หญิงคนนี้กำลังเกิดราคะใช่ไหมใช่แต่ถ้าดับความรู้สึกในใจลงได้สมมติผมมีเศษป๊บภาพที่เกิดขึ้นในใจดับว่ั ผู้หญิงคนนี้จะรู้สึกยังไงจะรู้สึกสัมผัสที่ปากอย่างเดียวนสัมผัสทำไมมันมีขนด้วยอ่ะฮะถูกไหมที่ขนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทำไมเขาถึงไม่รู้สึกเพราะใจที่ปรุงเนี่ยมีอนุภาพสูงกว่าความรู้สึกรายละเอียด สังเกตไม่ตอนที่ท่านมีเจอแฟนแล้วแฟนโอ้โหดีที่จะแต่งงานกันหรือจนแต่งงานกันไปแล้วก็ตามพอแต่งกันไปสักพักเธอเปลี่ยนไปคือเขาไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกขณะที่เรากําลังปรุงเขาขึ้นมาด้วยความรักราคะทั้งหลายเนี่ยเราจะมองไม่เห็นความจริงทั้งหมดในใจของเราจะอวยอวยโอ้โอรวมลมลมไปอย่างนั้นนะจนกระทั่งมันหมดความรู้สึกนั้นลงมันดับความรู้สึกนั้นลง เราจะเห็นความจริงทุกอย่างความดีความเลวอะไรมันจะโผล่ขึ้นมาหมดจริงๆมันอยู่ต่อนหน้ามาตั้งแต่วันที่เรารู้จักแล้วแต่เราไม่เห็นเรื่องจากใจของเราที่เขาบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดอ่ะอย่างนี้แหละพูดอะไรไม่ผิดหรอกพู้ถูกหมดอ่ะแต่ไม่เข้าใจสักอย่างโลกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นพอมันทําให้คนตาบอดมันมองไม่เห็นเพราะปิดบดมันปิดบังความจริงเนี่ยไอ้ใจของเราปิดบังความจริงทั้งหมดนะ เพราะฉะนั้นที่ผมให้ดูเพียงเพื่อให้เห็นว่าการปลุกแต่งเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่มีทางรู้จักมันเลยเพราะเราอยู่กับมันจนชินเราไม่มีความตั้งมั่นที่จะเห็นขึ้นมาได้วันนี้การจะออกจากความเคยชินนี้เนี่ยจึงต้องอาศัยสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่มีพลังมาก ไม่ใช่พลังธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าใครปรารถนาความ้นทุกข์จริงๆเนี่ยมันต้องทำไม่เลิกในร้อยคนพันคนก็ไม่ทราบว่าจะมีกี่คนนะที่ทำไม่เลิกทำจริงเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเรื่องกวนแต่ของหลอกลวง เอาละผมจะให้เห็นว่ามันดับลงยังไงถ้าถ้าผมเชิญนัดเดทเข้ามาแล้วก็นัดเดทมาทักทายทุกคนแล้วก็เดินไปข้างหลังแล้วก็นวด นั่งสมาธิป ว, วดเมื่อยไหมครับคุณป้าโหที่เรียคุณป้านี่หมดเลยดับเลยนะคุณพี่นะคุณน้องคุณพี่อะไรเงี้ยนวดนวดนวดนวดนว ด, นว ด, นวดประนวดแป๊บนึงเนี่ยผมก็ให้นัเดตออกให้ลุงคนสวนเนี่ยสวมสวมลอยเพราะท่านไม่เห็นเนี่ยท่านนั่งขัดหลังให้ลุงคนสวนมาบีบโอ้โหนะนัเดตนี่มือไมห้หนักดีจริงจรงะไม่หนักไงเนะี่ย ฟันจอบทุกวันบีบบีบบีบสักพักก็จะหันไปคุยกันทัดเดชไอ้ชักตกกัจัยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยดับวับรือรับรองไอ้ที่ปรุงอยู่เนี่ยจะดับวับแล้วก็โอ๊ยอะไรเงีมันจับชันทำไมนะพอดับวับเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาทันทีเลยพอหมดการปรุงแต่งหมดราคาเนี่ยหมดราคาเลย ราคากับราคาเลยหมดราคากันไปเลยนึกออกไหมพอมันดับแล้วเป็นยังไงท่านก็เคยดับอยู่บ่อยๆกำลังเพิดเพลินอยู่กับอะไรเกิดมีข่าวร้ายขึ้นมาไอ้อารมณ์ที่กาลังพูดปรุงอยู่เพิดเพลินนะดับวับลงไปผงะเลยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนที่ผมเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลูกสาวตอนนั้นเต๋อเล็กๆอยู่เล่นเกมนั่งเล่นเกมรถแข่งก็ผมก็เล่นด้วยตอนนั้นก็นั่งเล่นกันตอนนั้นก็ยังเล็กๆโอ้โหสิบยี่สิบปีเที่สิบสิบกว่าปีที่แล้วนั่งแข่งกันวันศุกร์ก็แล้ววันเสาร์ก็แล้วโหเก็บแต้มไล่ล่ากันตรุดเนนะียรถแข่งเนะี่ยคือตั้งแต่เช้าหกโมงจนถึงสี่ทุ่มนะจะบอกว่าลูกติดเกมตอนนั้นพ่อของติดเกมนนเหมืติดทั้งคู่เลยแข่งกันน่ย แข่งรถแข่งกอละคันไล่กันอุตลุดหมดจนถึงวันอาทิตย์แข่งละทหรหเลยข้าวปลาไม่ได้กินวันอาทิตย์ผมทึงรู้หมดอละเรื่อติดเป็นยังไงนะวันอาทิตย์สิบโมงประมาณเนะ่ขณะที่ผมก็ง้หเคียนเต็มที่เลยเก็บรางวาัลได้เพียบทั้งถ้วยทั้งแต่งรถได้เงินทองมาลูกผมกําำลังนั่งมองผมเล่นตาผมเล่นอยู่ พ่อหนูว่าเราถูกหลอกผมก็ไม่สนใจอะคาพูดเด็กๆก็ยังไล่ปุ๊เขียนไฟแลบเลยก็มันจะเข้าเส้นชัยนะพ่อหนูว่าเราถูกหลอกผมก็เลยปล่อยคันเร่งเลยพร้อมก็เสียดายคันอื่นมาแซงฟู่ฟูไปหมดเลยคันมัมองหน้าอะไรนะหนูว่าเราถูกหลอก ทำไมที่เราเล่นกันมาทั้งหมดสามวันเนี่ยเราได้เงินทองมากมายเราได้ถ้วยเต็มเลยแต่ถ้าปลักหลุดทุกอย่างจะหายหมดเลยนะผมรู้แล้วว่าเขาตื่นแล้วผมก็เลยม้วนเก็บปิดเกมเลยไปคุยข้างนอก ผมก็เลยบอกเขาว่ามันไม่ได้หลอกแต่ในเกมหรอกมันหลอกเราทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังถูกหลอกถูกหลอกให้ไล่ล่าสแสวงหาเงินโดยไม่รู้ว่าปักจะหลุดวันไหน แล้วทุกอย่างที่สร้างเอาไว้จะดับวับหายไปกับตาเลยลูกสาวผมตอนนี้ยังตัวเล็กๆเขาก็บอกไม่พ่อชีวิตจริงเรามีเงินจริงๆเราไปซื้อของได้จริงๆก็ไม่เป็นไรตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ผมแค่บอกว่าจำคำพ่อไว้ก็แล้วกันว่าทุกคนกำลังถูกหลอก อย่างน้อยที่สุดผมเห็นแล้วว่าเด็กคนหนึ่งที่กำหลงเข้าไปอยู่ๆผงะแล้วตื่นออกมาแล้วเห็นความจริงในขณะที่กำลังหลงก็ไปสุดขีดนี่คือจิตที่จะต้องเกิดขึ้นในทุกคนที่ปฏิบัติให้ได้ที่มันจะต้องตื่นขึ้นมาในขณะที่เรากำลังหลงอยู่เนี่ยธรรมชาติของคนทั่วไปจะตื่นขึ้นมาไม่ได้ เรากำลังหลงหาเงินกําลังมีความสุขกําลังล่ํารวยกําลังจับจ่ายซื้อของเหมือนกับเรากําลังมีเงินมากมายมก็จะจับจ่ายอยู่ๆผงะขึ้นมาว่านี่นี่เราทําอะไรเราซื้อมันไปทำไมแพงขนาดนี้เนี่ยที่บ้านก็มีตั้งเยอะอะไรเงี้ยมันตื่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะผู้ที่จะพลิกกลับ คลิกชีวิตกลับได้คือต้องมีโมเมนต์เนี่ยต้องมีจุดเปลี่ยนถ้าปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามสัญชาตญาณเนี่ยเสร็จล่วงลงน้ำตกเหวนรกแน่นะคือตายไปกับมันแหละตายไปกับมันแต่ถ้าตื่นขึ้นมาเห็นแล้วว่าเราถูกหลอกทุกคนถูกหลอกทุกคนทำอยู่ได้ยังไงเนี่ยอะไร น, นี่แหละนะ เเพราะฉะนั้นลิงจูบอะไรเนี่ยก็ เ, เป็นเอามาใช้บ่อยเพราะมันเห็นกับตาเลยเห็นด้วยกันเนี่ยแรกๆหลายคนดูก็คงขำหัวเราะแต่หลังๆรับรองขำไม่ออกคือเราถูกหลอกแบบต่อหน้าต่อตาผมถึงบอกว่ากิเลสพวกนี้ไม่เคยแอบหลอกนะมันหลอกกันต่อหน้าต่อตานี่นยทำไมเราไม่มีปัญญาจะเห็นก็เพราะเราไม่มีปัญญานี่แหละ ทําไมถึงไม่มีปัญญาเพราะจิตไม่ตั้งมัน่นเพราะจิตไม่ตั้งมัน่นแล้วทําอย่างไงให้จิตตั้งมัน่นก็นี่ไงกําลังทํากันอยู่นี่พลาคออกมาจากกามกามไม่ได้มีแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายแบบนั้นตาก็เข้าไปติดหูเขาไปติดจมูกลิ้นกายใจติดกันหมดติดกันทุกที่ติดกันหมด บางคนก็ติดตรงนั้นน้อยหน่อยบางคนก็ติดตรงนี้มากหน่อยก็แล้วแต่ใครจะติดอะไรมากติดอะไรน้อยบางคนก็ลิ้นเนี่ยเรื่องใหญ่ลิ้นเนี่ยติดกันทั้งหมดนะลิ้นเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วยิ่งวันนี้มันโอ้โหถ่ายรูปลงนั่นนี่โน่นรีวิวกันโอ้โหมันยิ่งเป็นข้อมูลใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นจนตายละก็ตายไปกับมันเนะ นั่งสมาธิสิบนาทีเวลานั่งสมาธิเนี่ยจิตใจเนี่ยเป็นปกติปกติไว้อย่าตั้งอะไรขึ้นมาอย่าตั้งใจอย่าตั้งใจ พูดจริงๆนะไม่ใช่คาลมโคมใครอะไรอย่าตั้งใจทุกคนน่ยผมบอกนั่งสมาธิปั๊บเหมือนมันจะตั้งมันทุกอย่างขึ้นมาหมดนะทั้งตัวทั้งใจมันตั้งกระเด้งกันขึ้นมานั่นแหะตัวตนหมดเลยมันจะขวางทุกอย่างเอาไว้เลยคนที่จะเข้าสมาธิเข้าฌานอะไรได้เนี่ยเขาอยู่เป็นปกติปกตินะรู้ลงกว่ารู้ลงเลยไม่ต้องตั้งอะไรขึ้นมาให้แข็งเป๊กกลายเป็นเพ่นไปหมด แล้วเป็นผู้สังเกตลมหายใจเนี่ยลมหายใจพี่เคยเท่ากันนะผมบอกแค่เนี้ยถ้าใครรู้สึกว่าท่านรู้ลมหายใจเท่ากันทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยท่านสร้างลมหายใจเองแล้วปล่อยสบายๆเฝ้าสังเกตตามความเป็นจริงนะเฝ้าสังเกตตามความเป็นจริงถ้ามันเข้าน้อยออกเยอะก็เห็นไปนเข้าน้อยออกเยอะ เข้าเยอะแล้วทำไมมันออกน้อยอะไรก็เห็นไปตามจริงนั่นแหละไม่ต้องไปสงสัยของจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นะอย่าไปเอาเหตุเอาผลอะไรทั้งสิ้นเอาตามที่เห็น จเกิดความคิดสังขารปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของสังขารนันเกิดเกิดดับดับใจยังคงสงบความคิดจะมีก็คิดไปกลับมารู้ลมนึกความคิดมันก็ดับไปของมันไม่ได้มีตัวตนจะไปมีอารมณ์อะไรกับของไม่มีตัวตนมันจะไปทะเลาะ ก, กับต้นไม้จะไปทะเลาะ ก, กับบอ่อบัว ของไม่มีตัวตนคันพูดได้ก็เหมือนท่านจะไปยืนทะเลาะกับสิริสิริในไอโฟนไปทะเลาะกับมันทะเลาะกับ GPS จะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับกูเกิลแมพพามาผิดทางความคิดกับบาทกับประมาณนั้นของยู่ตัวตนจะเป็นกุฎกิจลํำคาญอะไรจะไปยินดียินได้อะไร เห็นมันไร้ค่าไร้สาระมันก็หมดราคาพราหมดราคาใจสงบเลยความคิดจะมีความคิดจะไม่มีใจก็สงบนะจิตก็อยู่ส่วนจิตความคิดก็ความคิดไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เพราะเราหลงเป็นสิ่งเดียวกันจึงก่อความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาแต่ถ้าแย ก, ก่อด้วยสมาธิก็จะเห็นจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งความคิดก็ส่วนเมื่อเห็นความคิดเป็นเพียงของเกิดตบไม่ได้มีตัวตนอะไรจิตจะสงบตั้งมัดไม่มีราคะ ไม่มีปฏิฆะไม่มีความยินดียินร้ายในความคิดต้องเห็นก็ไปที่ตัวเองไม่ใช่จากการนั่งฟังผมพูดเห็นจิตจะสงบหรือไม่สงบไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับความคิดจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานของเขาคิดจะคิดกาคิดไป กระจกรับรู้ไฟไฟไม่ใช่กระจกกระจกก็ไม่ใช่ไฟกระจกเพียงรับรู้ภาพของไฟที่เข้ามาประทกุกระจกไม่ต้องยินดียินร้ายกับไฟไม่ต้องยินดียินร้ายกับหน้าของคนคนไหนดาราไม่ต้องยินดียินร้ายกับน้าแข็งดอกไม้ ที่สะท้อนก็ามาในกระจกของพวกนั้นล้วนว่างจากตัวตนจิตเป็นธรรมชาติว่างอยู่แล้ววันนี้ที่มีปัญหาเพราะว่าเกิดการปรุงขึ้นมาให้รับรู้ไปตามสภาพความเป็นจริง อาสานะุก็คงต้องฝึกสำหรับใครที่ตั้งมั่นดีอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากเหมือนกับเข้าใจอยู่แล้วคนที่ไม่เข้าใจค่อยๆฝึกมันไม่ใช่เรื่องจากความเข้าใจนะเป็นเรื่องการเห็นความจริงไม่ใช่ทำความเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแต่เห็นความจริงอย่างมันจริงจ ท่านจะเห็นความจริงได้ใจต้องค่อนข้างสงบสงบในระดับหนึ่งก่อนจิตถึงจะตั้งมันแล้วก็วินาทีที่ท่านเห็นความจริงที่ผมพูดมันจะตื่นขึ้นมามันจะพังหนาออกจากเนื้อเรื่องที่เราหลงวนอยู่นจะหลุดออกมาจะเห็นความจริงไม่ใช่บรรลุธรรมนะอย่าไปเข้าใจผิดอชอบบรลุธรรมกันจี บางคนแค่เขาเขาเรียกว่าตื่นเขาเรียกตื่นเท่านั้นเองสับของนักปฏิบัติก็เรียกตื่นพอตื่นแล้วง่ายแล้วตอนไม่ตื่นเนี่ยนะพูดอะไรมันก็คิดฟังธรรมก็คิดเอาจําเอาคิดเอาจําเอาแต่พอตื่นเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเห็นเหมือนกระตือเองเห็นเมือนท่านกลับออกไปจากที่นี่ตรง น, นี้ท่านกลับออกไป ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งอ๋อเธอไปสวนธรรมมาเหรอเออฉันก็เคยไปแล้วก็เล่าเรื่องสวนธรรมให้ท่านฟังเธอไปนี้ป่าเออร้านอาหารไ อ, อ้ห้องอาหารเนี่ยบ่อน้ำดีนะฉันชอบไปเดินจงกรมรอบๆเลยท่านเห็นหมดแล้วท่านเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่ถ้าไม่ตื่นเนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยจะเหมือนกับมีคนพูดเรื่องอินเดียแต่ท่านไม่เคยไปอินเดีย โอ้ oh, พุทธคยานะ่ต้นโพนะอย่างนั้นมีอีกต้นหนึ่งนะแต่เศร้าหมองจังเลยแต่ต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเราก็ฟังแบบอ๋อแล้วจำเอาเขาก็เข้าใจนั่นอ่ะต่างกันตรงเนี้ยต่างกันตรงเนี้ยคือเมื่อไหรเราตื่นฟังธรรมเนี่ยเราจะเห็นจากข้างในเหมือนกับฟังคนพูดสิ่งที่เราอยู่ด้วย แต่ถ้าไม่ตื่นจะเหมือนฟังเรื่องอินเดียแต่เราไม่เคยไปอินเดียแต่ก็ฟังเก็บข้อมูลไว้นะไม่ใช่ไม่ดีนะพอวันหนึงไปอินเดียแล้วคุณจะรู้สึกไงใ้่ไหมอ๋อนี่เองที่เขาพูดถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปมันจะมีอ๋อวันนั้นนึกว่าเข้าใจ ที่อาจารย์พูดที่แท้อาจารย์หมายถึงนี่เองนะเอออี่ก็ยังชั่วหน่อยเขยังชั่วหน่อยเมื่อวานคุณหมอมาตรวจผมก็ซักถามผมไปเรื่อยๆซักถามนู่นนี่เพื่อจะดูก็ซักทุกคําถามของหมอเนี่ยผมก็เข้าใจผมก็ตอบหมอไปตามจริงหมอก็ขออนุ ญ, ญาตตรวจหูฟังก็มีแค่หูฟังหมอทุกคนมีแค่หูฟัง หมอกดอาจารย์หายใจแรงๆก็เหมือนเวลาเราไปหาหมอหายใจแรงแหายใจลึกๆหายใจลึกๆตรวไปเรื่อยๆเรื <adventures> ่อยๆเรื่อยๆหมอบอกอย่างนี้นะหัดใจแข็งแรงสิทธพ์ใจแข็งแรงสิทีอาจารย์กั้นใจแล้วก็กดกดกั้นกั้นใจไว้แล้ก็กด เียบ <Yeah. c oughs> ถ้าให้เราฟังเราได้ยินเลย <c oughs> ไมได่ดีน่ะหมอก็อธิบายผม <c oughs> คือหมอยังไม่ได้อธิบายผมฟังผมอธิบายให้หมอฟังผมบอกว่าระหว่างที่คุณหมอสั่งถามแล้วผมตอบเนี่ยรวมกับที่คุณหมอเอาไอ ห, หูฟังเนี่ยฟังผมไปเรื่อยเื่อยเนี่ย คุณหมอเห็นภาพผมข้างในทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่คุณหมอเห็นหมดว่าหัวใจผมเต้นยังไงข้างในกี่ห้องกี่ห้องเนี่ยตรงไหนมีอะไรติดอยู่บ้างถูกไหมใช่หมอเห็นหมดว่าเส้นเลือดของผมสะอาดแค่ไหนในการสูบฉีดโลหิตใช่เหมือนกันถ้าคุณหมอพูดอะไรให้ผมฟัง สักสามประโยคผมจะรู้หมดว่าข้างในของคุณหมอเนี่ยเป็นยังไงที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตของหมอแล้วจิตดวงนี้จะเดินทางต่อไปยังไงเหมือนกัน <c oughs> หมอเริมบอก ผมไม่เคยเข้าคอร์สอาจารย์มอเคยฟังยู u b e แต่แค่มานั่งตัวอาจารย์คือเหมือนกับมาอยู่ในคอร์สเลยหมอไม่เคยรู้จักผมไม่เคยเข้าคอร์สผมเลยแต่ผมยอมรับนะว่าท่านเป็นคนที่มีเปียตาไม่มากนะ คือไม่ไม่ใช่จะอะไรนะคือดูจากรษณะเนี่ยการจะขอตรวจการจะตรวจตรวจเสร็จหมอนะหมอใหญ่ด้วยนะก้มลงกราบกับพื้นถ้าเป็นคนที่มาเข้าคอสปฏิบัติก็ไปยากนะแต่นี่เป็นคนฟัน่นนั่งฟังยูทูบคือคนท่านเข้าใจมันเข้าใจจริงๆนะ